คุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบันความเข้าใจเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญของบุคคลโสดาบันเนื่องด้วยธรรมะหประการคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาเป็นคุณสมบัติสำคัญของอริยสาวกซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเน้นอยู่เสมอและใช้เป็นเครื่องวัด ความเจริญก้าวหน้าของอริยาสาวกทั้งก่อนบรรลุโสดาปติผลและเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วนอกจากนั้นยังมีขอบเขตครอบคลุมโสดาปติยังคะคือองคุณของพระโสดาบันเข้าไว้ทั้งหมดจึงเห็นควรกล่าวถึงคุณสมบัติหข้อนี้ไว้เป็นการเฉพาะอีกครั้งหนึ่งในการนี้ขอให้สังเกตคุณสมบัติข้อที่หนึ่งคือศรัทธา ไว้เป็นพิเศษว่าเหตุใดจึงเป็นคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุกกรณีสำหรับการปฏิบัติระดับนี้ทั้งที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาถือปัญญาเป็นธรรมะสำคัญสุดยอดในกระบวนการปฏิบัติเมื่อพูดอย่างภาษาของคนสมัยปัจจุบันธรรมะห้าประการที่เรียกรวมว่าสัมปทาบ้าง ซับบ้างอาริยาวัตรหรืออริยาวัตบ้างมีความหมายโดยย่อดังนี้ข้อที่หนึ่งศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจเพราะได้พิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผลด้วยปัญญาแล้วแยกย่อยออกได้เป็นสมด้านศรัทธาด้านที่หนึ่ง ความเชื่อความมั่นใจในพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลต้นแบบซึ่งยืนยันถึงวิสัยความสามารถของมนุษย์ว่ามนุษย์สามารถอย่างรู้สัจธรรมเข้าถึงความจริงและความดีงามสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามของมนุษย์เองมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เจริญ ง, งอกงามขึ้นได้ทั้งในด้านระเบียบชีวิต ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายวาจาทั้งในด้านคุณธรรมที่พึงอบรมให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจทั้งในด้านปัญญาความรู้คิดเหตุผลจนสามารถหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดบีบคั้นที่เรียกว่ากิเลสและกองทุกขทำทุกขให้สิ้นไปประสบความเป็นอิสระดีงามเลิ่ล้ำสมบูรณ์ได้และในการที่จะเข้าถึงภาวะเช่นนี้ ย่อมไม่มีสัตว์วิเศษใดๆไม่ว่าจะโดยชื่อว่าเทพมารหรือพรมที่จะเป็นผู้ประเสริฐมีความสามารถเกินกว่ามนุษย์ซึ่งมนุษย์จะต้องหันไปหาหรือรีรอเพื่อขอริษานุภาพดลบรนดาลอันหนึ่งบุคคลผู้ฝึกตนจนลุถึงภาวะนี้แล้วย่อมมีคุณความดีพิเศษมากมายซึ่งสมควรดาเนินตาม และเมื่อมนุษย์มั่นใจในความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ก็ควรพยายามปฏิบัติสร้างคุณความดีพิเศษนั้นให้มีขึ้นในตนหรือปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมที่บุคคลต้นแบบนั้นได้ค้นพบและนำมาแสดงไว้แล้วศรัทธาด้านที่สองความเชื่อ ความมั่นใจในธรรมะทั้งความจริงและความดีงามที่บุคคลต้นแบบซึ่งเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้นั้นว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ปฏิบัติเห็นผลประจักษ์กับตนเองมาก่อนเรียกว่าค้นพบแล้วจึงนำมาประกาศเปิดเผยไว้ธรรมหรือธรรมะนั้นเป็นสภาวะดํารงอยู่หรือเป็นไปตามธรรมดาของมันเอง เป็นกฎเกณฑ์อันแน่นอนคือนิยามแห่งเหตุและผลอย่างที่เรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติไม่ขึ้นกับการอุบัติของตถาคตคือไม่ว่าจะมีใครค้นพบหรือไม่เป็นกลางเที่ยงทําต่อทุกคนท้าทายต่อปัญญาและการเพียรพยายามฝึกอบรมตนของมนุษย์บุคคลทุกคนเมื่อพัฒนาตนให้พร้อม มีปัญญาแก่กล้าพอแล้วก็รู้ละลุได้ประจักษ์กับตนเมื่อรู้หรือบรรลุแล้วก็สามารถแก้ปัญหาดับทุกข์หลุดพ้นเป็นอิสระได้จริงศรัทธาด้านที่สาความเชื่อความมั่นใจในสงฆ์คือชุมชนหรือสังคมแบบอย่าง ซึ่งเป็นพยายนยืนยันว่ามนุษย์ทั่วไปมีความสามารถที่จะบรรลุ ค, ความจรงิงความดีงามสูงสุดได้อย่างบุคคลต้นแบบแต่ชุมชนหรือสังคมนั้นจะมีขึ้นได้เป็นไปได้ก็โดยการยอมให้ธรรมะคือความจรงิงความดีงามปรากฏผลประจักษ์ออกมาทางบุคคลด้วยการปฏิบัติชุมชนหรือสังคมนี้ยอมประกอบด้วยบุคคลทั้งหลาย ผู้ฝึกปรือศึกษาซึ่งมีความสุขงอมแก่กล้าไม่เท่ากันก้าวหน้างอกงามอยู่ในระดับแห่งพัฒนาการต่างๆกันแต่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะมีหลักการร่วมกันคือมีธรรมะเป็นแกรนร่วมมีธรรมะเป็นเครื่องวัดเป็นที่รองรับผลประจักษ์และเป็นที่แสดงออกของธรรมะจึงเป็นชุมชนที่มีความดีงามน่าชื่นชม ควรเชื่อชูรักษาและเข้าร่วมเพราะเป็นสังคมที่มีสภาพเอื้ออำนวยมากที่สุดแก่การที่จะดํารงธรรมะให้สืบต่อไว้ในโลกเป็นแหล่งแพร่ขยายความดีงามและประโยชน์สุขแก่โลกรวมความหมายของศรัทธาสามอย่างนั้นได้แก่ความมั่นใจว่าความจริงความดีงามและกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลมีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติ มนุษย์มีความสามารถที่จะเข้าถึงและยังรู้ความจริงความดีงามและกฎธรรมชาตินั้นได้และได้บุคคลผู้ประเสริฐซึ่งได้ค้นพบเข้าถึงและนำความจริงนั้นมาเปิดเผยเป็นเครื่องยืนยันและนำทางไว้แล้วผู้ที่มีความมั่นใจในกฎธรรมดาแห่งเหตุผลและมั่นใจในความสามารถของมนุษย์แล้วย่อมเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ผลสาเร็จเกิดจากเหตุ คือการกระทําเชื่อการกระทําและผลของการกระทําที่เป็นไปตามนิยามแห่งเหตุและผลจนมีหลักประกรันความเข้มแข็งทางจริยธรรมพยายามศึกษาให้รู้เข้าใจและกระทําการไปตามทางแห่งเหตุปัจจัยอย่างมั่นคงไม่หวางพึ่งอํานาจดนบันดาลจากภายนอกและจะมั่นใจว่าสังคมที่ดีงามหรือสังคมอุดมคตินั้น มนุษย์สามารถช่วยกันสร้างขึ้นได้และประกอบด้วยมนุษย์ผู้ดำเนินชีวิตดีงามตามเหตุผลนี้เองซึ่งได้ฝึกอบรมตนเพื่อเข้าถึงธรรมหรือเพื่อบรรลุ ค, คุณความดีพิเศษอย่างพระพุทธเจ้าสรุปคุมอีกชั้นหนึ่งว่าเมื่อตรองเห็นเหตุผลแล้วมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงดีจริง จึงเชื่อว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสเป็นจริงดีจริงแล้วเชื่อว่าหมู่ชนที่เป็นอยู่ด้วยธรรมะนั้นมีได้จริงได้มีจริงควรให้มีและควรเข้าร่วมจริง